มือว่านคนมันถี่เจ็บสิป่วยมัดมัได้อยากได้ลูกหลานเลมือว่าในหลงพอนางหลดกรอบหน่อยหลอบวัดนางจับตถิงเทิงันออกไปจับเล้าเถิงเทิงอย่ามาตกคนไปเพราะแรๆมากน่ะไหวห่องไหวนั่นน่ะห่องไหวน้อยนั่นน่ะม้าฝาดกอเส้นมือทอ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 ผลบุญถึงข่าวแล้วใคไปง่ายๆจบๆไปชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาแล้วก็ตายเยพวกเราจะไปอีหลังพันทางอะไรมากมายนักหนาก่อนที่ยังมีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีให้มากที่สุดวันนี้เป็นวันที่ย0สบมกราคมพุทธศักราช2559ห้อสิบก้า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 ในหลวงพ่อเหมือนกันนี่แหละในหลักในหลักพระวินัยได้นีในหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาดูมันก็เข้าข่ายลักษณะอย่างนั้นแหละเข้าข่ายยังไงก็คือพิกตูใดที่มีปีพัีภามากก็ควรจะยกย่องให้เป็นพระอุปชาเป็นอาจารย์ของให้ความเคารพ ต่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายต้องให้ความเคารพเพราะมีอายุพรรษามากแต่ท่า น, นท่านก็พูดอีกว่าผู้มีพรรษามากแต่ไม่ฉเฉลียวฉลาดไม่เกียรจบไม่สามารถที่จะเป็นไม่สามารถสวดปฏิโมก์ได้ไม่สามารถแนะนำสังสอนเรื่องเกี่ยวกับวินัยได้เป็นว่าเป็นโพราอายุพรรษา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 วัวที่เป็นเจาฝูงนี่ก็ต้องดูแลหรือว่าอที่จะจะข้ามได้วัวที่จะเป็นเจาฝูงต้องฉลาดถ้าวัวเจาฝูงที่โง่พออยากจะข้ามจุดไหนก็ข้ามน้ำที่เซี่ยวไหลแรงก็ทำให้วัวเล็กวัวน้อยเนี่ยตายอยิบหายกว่าที่จะข้ามไปได้จะบักสะบอมตายเป็นส่วนมากพอน้ำมันเชี่ยว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 อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะเนมะืาาา่อพระพุทธเจ้ากัดสปะปฏินิพพานแล้วพระสงฆ์กับยังพวกเราเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าคือต้นศาสนาต้นศาสนาปรินิพานา like าาาาพานไปแล้วเนี่ยพวกเราก็เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาพอมาแล้วก็ต่างคนต่างมีวาทะถ้าใครมีวาทะดีพูดดี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 แนะนําสั่งสอนไปกับผิดที่ผิดทางเลยเพราะลืมตัวเลยนี่แหละความลืมตัวจุดนี่แหละถือว่าปลักเพืพระธรรมวินัยเอตัวเองรู้หมดแล้วเอ้ยปฏิโมกไม่สําคัญเราไม่ต้องสวดสวดทาไมเอไม่ทบทวนไม่ลงอุโบสถเอจะบวชกระบวดเอาไลยง่ายๆอย่างไรที่มันง่ายคือเอาทำ ต, ตามตามใจตัวมันไม่ดูไม่ดูหลักพระธรรมวินัย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 พวกลูกๆของเราลงทอดแห้ครั้งแรกได้ปลาขึ้นมาแปลกปลาใหญ่ปลาทองสีทองอีกต่างหากเราควรจะเอานําไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเพื่อจะได้รับรางวัลว่านี้เป็นปลาอะไรจากนั้นเขาใส่เหลือเข้าไปเอาน้ําใส่เพื่อไม่ให้มันตายเขาใส่ในเรือไป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 เมื่อตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทิ้งทั้งหมดนอกจากคุณงามความดีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นนะจะติดจิตติจจใจของพวกเราไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะหัวหน้าที่สําคัญนะแต่หัวหน้าไม่ดีก็ทําให้เสียหายจ่าฝูงเสียหายทําให้ศาสนาเสื่อมเสียเสื่อมถอยได้ง่ายแต่ถึงยังไงผู้ที่อยู่ ใ, ใกล้กันนั่นแหละ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 เออมันกจ็จะต้องอดไม่ได้แนละ้วจะต้องแสดงความชั่วออกมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเห็นได้ว่านี่แหละคนดีแล้วขนชั่วที่ย่อที่เราอยู่ด้วยกันเนะนี่แหละบัดบอกหนาทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์กลดขอให้พวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านนะเต่มถึงยังไงจึงเรายึดในหลักธรรมวินยัยทักยึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า